ตั้งใจวางธรรมเทศนาวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมะไปก่อนธรรมะเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้หรือได้ยินอาจจะลืมก็ได้หรือพิจอาจจะไม่ได้พิจารณาก็ได้ ที่เราเคยได้ยินพระท่านเทศได้บอกเทศธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือแสดงธรรมนั่นเองเทศนาแปลว่าแสดงธรรมะปลวแสดงธรรมเราพากานเข้าใจว่าท่านแสดงธรรมนั่นแสดงถึงเรื่องคำพีหรือตำหนักตำลาหนังสืออะไรต่งางๆที่ท่านจารึกเป็นตัวอักษรเรามักจะเข้าใจในคำนองนั้น ยิ่งมาสมัยก่อนๆเนพระเที่ยวป่าเที่ยวลูกขมูลจะเรียกว่าพระธรรมกรรมฐาน้าเรียกว่าพระธรรมกรรมฐานถือว่าพระนั่นแหละเป็นผู้ถือธรรมคือพระเที่ยวลูกขมูลเที่ยวป่าเป็นพระถือธรรมนอกจากนั้นไม่มีไม่มีธรรมธรรมกรรมฐานใช่ไหคนนั้นเห็นพระธรรมกรรมฐานกลัวเสียซ้ำ มาเป็นของพ่ลึกเกลื่อนๆน่ะมีริบปาที่หาอะไรใหญ่ตโตเขาฐานนี่ล้วนในเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องธรรมไม่เข้าใจทั้งเรื่องธรรมมากนอกจากนั้นแล้วเมื่อมาเข้าใจแล้ว ก, ก็พาเขาแสวสงาหาธรรมมีตำราโบราณท่านขึ้นธรรมนั่นขึ้นธรรมนีน่อะไรตัวอะไรต่างๆต้อ ง, งไปขึ้นธรรมกับครูนั่นอาจารย์นี้มีธรรมหลายเรื่องหลายอย่าง นี่รู้ว่าจะเข้าใจผิดคิดว่าธรรมมีในที่อื่นถ้าคิดว่าธรรมคือตัวของเรานี่เรื่องเข้าใจผิดในเรื่องธรรมหากัะแสวงหาธรรมไปสำนักโน่นไปสำนักนี่ไปหาอาจารย์โน้นไปหาอาจารย์นีน่เข้าใจว่าธรรมอยู่โ น, น้นอยู่กับอาจารย์อยู่ในสำนักโน้อนอะไรต่างๆนี่ก็เข้าใจผิดทางนั้น ลองคิดดูไปหาอาจารย์ไหนก็ตามหรือไปฟังอาจารย์ในเทศก็ตามอาจารย์ในอบรมก็ตามหรือที่ท่านจะเทศนาในัำพีอะไรก็ะชั่งให้ฟังดูให้พิจารณาดูท่านเทศธรรมเทศที่ตัวของเราเลยก็แสดงเข้ามาที่ตัวของเราคือกายวาจาใจไม่ได้เทศที่อื่นที่ไกลเลย นัดแสดงทั้งเรื่องการทำทานรักษาสินเรื่องการภาวนาในเรื่องเจริญธรรมถัยพัฒนาก็รู้ว่าน่าจะพูดทั้งเรื่องตัวคนแต่ละคนละคนการทำทานวัตถุสิ่งของที่เรามีแนละ้วมันทานเป็นเลอไม่ใช่คนเราไปหามาทำทานคนนี้นจเจตนาคือใจเกิดชัทธาเรื่องใสแล้ว จึงค่อยไปแสวงหาวัตถุมาเพื่อจะทานเราเป็นคนแสวงมาเราเป็นค น, น, คนจาา่าพระใจเกิดศรัทธาก็อยุกกายกับใจเหมือนกันไม่ใชที่อื่นนี้พูดถึงเรื่องทานพูดวันข้ามตลอดปีตลอดชาติเราเถอะอย่างที่พากันฟังเทศมหาชาตช้าดุเรื่องโเวิดต้นร้อนให้ทานลูกทานเงียทานสบัติทศฐา น, ททานสตับ มหาทานเจตประการก็พูดถึงเรื่องใจศรัทธาของพระเวสสันดร น, นั่นนี่รัตจาระคบริจักวัตถุทานทั้งจกักรอันน่นเรียกว่าเทศธรรมนี่แหละธรรมเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องกายตัวของเรากายใจตังเราเรียกว่าธรรมพูดถึงเรื่องธรรมไม่ได้มีอะไรที่อื่นสอนให้เรานี่แหละรู้จัก ให้รู้จักว่าธรรมคือตัวของเราเราปฏิบัติธรรมคือทำผ่ายิ่งการรักษาศีลยิ่งใกล้เข้ามาไม่ได้ไปขอที่อื่นมารักษาศีลไม่ได้ไปขอจากคนอื่นมารักษาเหมือนกับเราไปขอไก่แล้วไปขอแมวไปขอสุนัขมารักษาไม่ใช่อย่างนั้นแท้ที่จริงก็คือว่าเราละกลมชั่ว เราเคยฆ่าสัตว์เราเห็นโทษในการฆ่าสัตว์เราจึงละความชั่วเรียกว่างวดเว้นจากความชั่วไม่ใช่เอามารักษาไม่ใช่เอาคลวงชั่วมารักษาสาระกลวงชั่วตั้งหาเราเคยฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีทำลายชีวิตของสัตว์ตัวอื่นหรือคนอื่นเราเห็นล่าไม่ดีเราจึงเยละ ไม่ใช่ไปเอาสัตว์มาเลี้ยงไม่ใช่ไปเอาการฆ่าสัตว์มาไว้ที่ตัวของเราคือเรางูดเว้นใช่จากการฆ่าสัตว์นี่แสดงถึงเรื่องธับคือการมิสินได้เกิดการละผลมชั่วคือตัวของเรานีเองละผลมชั่วการประพฤติผิดมิฉาจาร์เที่ยวกลารคืนเกเรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกราบาสยมุ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมสูญเกียรติยศชื่อเสียงสุขภาพภรราใหม่เสียรทรัพย์สิ้นเงินทองเป็นคนใจแตกแล้วอย่างโบราณเรียกว่าใจแตกคือว่าไม่ประกอบธ م าชีพได้ล่อนเที่ยวกลางคืนไม่มีที่หลับที่นอนไม่นอนเป็นที่ไมด้ถางนั่นเป็นของเลวสราง ทำคลายๆกับหมูสัตว์ไม่มีสถานที่รับนอนที่ไหนแต่นอนได้อยู่ไหนแต่ไหนนั่นเองมันเป็นธรรมเนียมของสัตว์ธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะของสัตว์ไม่ใช่ธรรมะคนของคนเจริญมนุษย์คนที่เจริญ้ะต้องมีขอบเขตจำกัด ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบสนุธเมียมมันดีงามแล้วเห็นความชั่วเร็วสามอย่างนั้นเนี่ยเราจึงไม่ใช่เรามาปฏิบัตินี่ก็คือละกายบายจ่าใจาของเราคือที่ตัวของเราเรียว่าเราทาอยู่ในตัวของเราทามีขึ้นในตัวของเราการกล่าวโกหกพูดเท็จ นืกหลอกลวงคนอื่ น, นตา่างพูดคำหยาบคายนืกสอเสียดยุง ย, ung, ยงคนแตกลา่าสามเมาขีเกิดอิจฉาดยจิยาพยายบาดจากคาดจองล่างจองผ่านในภายในใจไพูดอะไรเป็นเรื่องกระทบกระแทกแตกด่านให้คนอื่นเสียอกเจียใจเดือดร้อนล้วนได้แต่เป็นของไม่ดีคิดใจมันเกิดอกุศล เรียกว่าทำอกุณผลเกิดเป็นปีจัยแล้วก็แสดงว่าทางวาจามันจริงนั้นเป็นของไม่ดีการแสดงมาภายนอกนนหมายความถึงเรื่องภายในมันมีอยู่แล้วเครื่งเดินล่อนพุกผ้าอัดไม่อยู่ในใจของเรามันอดไม่ได้ไมันจะเคยระบายระเ บ, บิดออกมาภายนอกโดวยวาจาไอ้นั้นไม่ดีเลินละ ทำมันได้ไมทำไม่ดีเรา ล, ละอกุศสมธรรมสอนในตัวของเราเนี่แหละละอกุณสนธรรมไม่จะมีในที่อื่นทำไม่ได้ไปหาที่อื่นเยอะในตัวเรามีแต่ทำตรงนั้นการดื่มสุราไม่ไรซึ่งเป็นของมึนเมาทำให้เสพติดถ้าให้ เสื่อมเสียสติกิริยาบรญญาเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผู้เล็กผู้ใหญ่คนในชั้นดใดภูมิใดก็ตามถ้ามือนเมาแล้วเขาเหยียดหยามดูถูกลดเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีตนหมดเลยเห็นได้ชั ด, ชดแล้วมองลูกคนอื่นจะเห็นได้ ถ้าหาถูกตัวของเราก็เช่นเดียวกับคนอื่นที่เราเห็นนั้นน่นการสิ่งที่ไม่ดีเรียกกุศลมันเกิดขึ้นเรามาสร้างกุศลเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาไม่เคยเมาไม่เคยดื่มสุราไม่เคยเมินเคยเมาความเจริงแล้วเกิดขึ้นวันที่แรกไม่มีอะไรหรอกทานอาหารทานข้าวไม่ได้แต่ทานนมแม่นมงวัวไม่เคยจะไปทานสุรามีไ ร, ไร อันนี้ด้วยความเลวของจิตใจของเราต่างหากเฮยไปโทษสังคมว่าสังคมเขานิยมก็สังคมกับเรานั่นแ่ะคนหนึ่งในสังคมหากว่าสังคมนั้นเราไม่ทําแคนน่นค น, น, นไม่ดื่มแต่แค่คนหนึ่งอันคนเหล่านั้นเขาดื่มห้ดื่มไปสองสามคนเลิกไปหมดหมดไปมันก็หมดไปเด็กอะอันนี้เขาดึงก็เลยเขาจูงมันเลยไปตามขอไปหมดไม่มีใครหยุด ปฏิวัติกลับกลืนมาสักคนเดียวมันก็พังเท่านั้นเลยสิสังคมมันก็พังหมดเลยสิไม่มีใครจ้างทานสักคนแล้วไปบ่นอะไรกันนะฮะบ่นกันทางบ้านทางเมืองบ่ น, บนกันได้โทษแต่สังคมทําไมไม่โทษตัวของเรานี่เรื่องพระพุทธเจ้าสอนสอนให้เราคนเดีปฏิบัติแต่ละคนละคนคือเราคนเดียวแต่ละคนละคนให้ปฏิบัติ ดีและชั่วทำดีทำยังสอนที่กายที่วาจาใจของเร า, าไม่ใช่อยู่ที่ตำราอันนั้นเป็นตัวหนังสือคำพูดไม่มีตัวหนังสือกำหนดคำพูดภาษาจารึกภาษาไว้มันก็เป็นลมเป็นแรงหมดเิยที่จารึกเป็นตัวสอนนั่นนั้นสร้างหลับเป็นคำหมายจารึกคำพูดคำหมาย คนอื่นเมื่อไม่เห็นหแล้วก็จะได้เอามาพูดแล้วได้มาสอนแล้วจะได้เข้าใจให้ปฏิบัติตามนั้นต่างหากไม่ใช่ทำอยู่ตรงน้นทำอยู่ตรงนี้ที่ตัวของเราสอนตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจเข้ามาทำให้เข้าใจแช่ว่าทำคือตัวของเราอย่าไปหาที่อื่นเลยหาทำ จะไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นคือศึกษาที่ตัวของเราเองคณิธรรมในสามอย่างธรรมที่ใหญ่ใอกุศนคือความชั่วท่นก็เรียกธรรมกุศนคือความดีท่านก็เรียกธรรมกุชโลนันภาษาบาลีแปลผู้ฉลาดอกุศนแปลไม่ฉลาด คือคนโง่คนฉลาดไม่สามารถทำคมชั่วงเรียกว่ากุสโลคนไม่ฉลาดจึงค่อยอยามทํ า, ทาคามชั่วเรียกว่าอากุสโลคือคนไม่ฉลาดเนี่ยกุสสนากุสลน์คือตัวของเรานี่เอ ง, เองทำมีสามอย่างที่เราจะทำเพื่าให้มันเกิดขึ้นมาอภิญญาก็แต่ทำคือของ ก, กลางทำได้เป็น ก, นกลางอย่างเวลานี่แหละเราไม่ทําอะไรเลย เฉยๆชั่วก็ไปททำดีก็ไม่ทำเฉยๆอันนี้เรียกภยการธรรมหรือจะพูดละเอียดเข้าไปอีกคือจิตใจที่เป็นภาวนาสมาธิคือที่จิตเข้าถึงอัปนาทิสมาธิอัปนาฌาเรียวกว่าภยการธรรมทำมีสามอย่าง คนเราเดินอยี่ยทำสามประการเนี่ยโดยมากเพียงแต่สองประการคือทำชั่วกับทำดีทรมานี่นั่นถ้าจะแยกออกไปอีกยังมีเยอะความเจ็บความไข่เรียกว่าพั ญ, ญาที่ทำความแก่และชราที่ทำความตายและพมราณะทำมีเยอะมากมายหลายอย่าง ญาเวทนาเรียกว่าทำทั้งนั้นทำในที่นี่หนึ่งพัาไยคาพูดซ้ำเนียงว่าทำคืตอตัวทอทหารสสลามเรียกว่าทำในการกระทำทำนั่นทอคงรอสองตัวจะวมอสะกดทำมาเ้นเรียกว่ากุศล่ะทำและอกุศลน่ำอะไรยากระดา ทำกูถจงสภาพความเป็นอยู่เป็นจริงตามสภาพเดิมมันจะเรียกว่าทำทำทอรอร อ, รอมอสะกดคือว่าสิ่งที่มันทรงไว้ตามสภาพเดิมกู้สนนกู้สนนพญายกาตรธรรมนี่เปิดมาพร้อมกับโลกไม่มีแปรปลก่ยนไปไหนความชัว่วใครทำอาไรปรากฏเสมอ น, นั้น ความดีใครทําอะไรปรากฏขึ้นมานั้นคนไม่ทําก็อยู่สิเช่นนั้นตามเดิมเหตนนั้นทำเยาอยู่ที่ตัวคนเราถ้าเราทำํำทำก็ปรากฏเกิดขึ้นมาถ้าไม่ทําทํำก็ไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาแต่สภาพธรรมนั้น น, นมีอยู่เช่นนั้นอันจะเรียกว่าธรรมะคือของเป็นอยู่ทรงไว้ตามสภาพเดิมของมัน ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมได้ไงแก่ก็เป็นธรรมคพาะสภาพของควาแก่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไปตามลำดับมาเรียกว่าสภาพของมันแก่หากเป็นในอย่างนั้นเรียกอื่นก็เรียกว่เถอะแต่มันก็เป็นตามสภาพมันอย่างนั้นจะเรียกว่าธรรมความเจ็บจะไปเรียกว่าอื่นมันก็ไม่ได้ มันก็เป็นอยู่อย่างหน้นาจะืากมาอย่างนั้นใครจะว่าไม่เจ็บมันก็เปลี่ยนอยู่ในหนาเสื้อผ้ามความแก่ความตายเหมือนๆกันถ้าจะเรียกว่าธรรมมีพูดถึงเรื่องธรรมของละเอียดท่านในพิจารณาและศึกษาในธรรมคําสอน佛教ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเอาและเพื่อทิ้งแต่ศึกษาเพื่อรู้ รู้สภาพของธรรมเมื่อรู้แล้วนั่นไม่เข้าไปยึดทิ้งก็ไว้ตรงนั้นไม่ทิ้งมันก็อยู่อย่างธรรมชาตสภาพเดิมของมันเช่นเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้เราจะทิ้งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บอยู่ตามธรรมดาก็ ต, ตายธรรมดาเราจะเอาเพื่อจะเวียนงานธรรมดาท่านสอนให้รู้สภาพของสังขารเป็นเช่นนี้เช่นนี้มีการศึกษาธรรม ไม่ใช่เราไปเอาคนเราอยากจะได้ธรรมเลยไม่เห็นธรรมซ้ำอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมพยายามดิน้นรนกระเจิดกระสนนักนะเห็นใครรู้อะไรก็เห็นอะไรก็อยากจะเห็นอยากจะรู้ก็เขาเลยไม่รู้ไม่เห็นซ้ำถ้าหาเราศึกษาเข้าตามครับให้เข้าใจตามสภาพดังที่ว่านี่แล้วไม่ใช่เรื่อง เอาแล้วไม่ใช่เรื่องทิ้งเรื่องเห็นตามเป็นจริงจริงเรี่ยวสัตย์จะทำและเอาไปทำไมกันคะนี้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเันภาพเป็นจริงนะก็เป็นอยู่ตามเดิม น, นี่ก็บอดเรื่องกันไปมีพูดถึงเรื่องธรรมอละเอียดต้องเป็นอย่างนั้นท่า น, นี้พูดธรรมทั่วๆไปอะไร ทำดีคือประพฤติดีนำมาเพื่อความสุขแก่ตนและคนอื่นทำชั่วเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นเหตุนั้นเราจึงเลือกทำแต่ทำทีดีโดยมากครับว่าประพฤติทำท่านพูดทั้งเรื่องประพฤติความดีคือละความชั่วประพฤตความดี เราไปฆ่าคนอื่นหรือเราไปขโมยของเขาตีที่สะเขาช่อโกงเขาเราเข้าใจว่าเราเหนือคนอื่นมีฉาลาเขาียบแล้งก็เขาเอาชนะเขาได้แต่ไม่ทราบว่าไม่รู้เรื่องว่าเราแพ้เขาในตัวอ่าสมมติด้วยเราไปฆ่างัวสักตัวแหละฆ่าควายสักตัวหนึ่งวควายมันตายแหละ แต่ว่าเราทําบาปคือเราไปฆ่าเขาใจมันคิดอยากกินเนื้อเขาหรือไปตีเสียสละเขาแล้วโกรธเขานั่นเรายอมแพ้เขาแล้วนะคือยอมแพ้ความดีคือเรายอมแพ้ความดีที่เราจะทรงไว้ไม่ได้ยอมเป็นคนชั่วนั่นแหละคือแพ้เขาไม่ระเบียดเรียนตน คนที่คิดจะขโมยของเขามันจ้องกลุ้มใจภายในกระส่ายนั่นแหะคือแท้เขาแล้วเบียดเบียนตดคิดอยากจะกินเนื้องวเนื้อควายจะไปซื้องวควายมาฆ่าเลือเป๊กไก่หมูอะไรก็ตามเถอะความที่อยากนั่นความที่อยากมิตรเขานัเนี่ยอ ย, อยากฆ่าเขาเนี่ยมันคิดกระทับกระสายอยอู่ภายในจิตใจไม่ปกติอันนั่นล่ะ คือเอาแพ้เขาแล้วคือแพ้กรมชุกกรมดีแล้วยอมเบียดคนชั่วแล้วเบียดเบียนตนเสก่อนแล้วค่อยเบียดเบียนคนอื่นทุกอย่างล่ะการประพฤติผิดไม่ช้าจารย์โกหกก็ดีืด่มสุราไม่ไรรือว่าน่าจะเป็นคนแพ้เหรดังนั้นเนี่ยแพ้กิเลสทุกต้น การที่แพ้กิเลสตวนี้กร้ามากกว่าการที่เราไปข่าเขาหลือไปทุบตีเขาประโมยเขามันคือประโมยของเขาอเขาไม่เสียดายแค่ไอีกเขาไม่นึกเสียดายเลยเราไปขโมยของเขาได้สักสามสี่ร้อยบาทหนึ่งโอ้โหนปรากฏได้มากมายตอนเยอะแยะอันคูกเขาที่เขาเสียน่ยเขาบางคนก็เกิดตสงสารเอ็ดูซะอีก และคนที่ขโมยคนอื่นนั้นความไม่พอทางนั้นนะ่ะความหิวโหวยทางนั้นนะ่ะจะมีเงินเป็นเงินล้านก็ตามท่ายังโกงคนอื่นขโมยคนื่นเรียกว่ายังหิวอยู่ยังไม่พอเรียวคนจนคือคนจนคือคนไม่พอนั่นเองจะเข้าใจว่าตนมียังไม่ได้คนที่ไม่ขโมยได้ชอบโกคงคนอื่นนั้นเรียกว่าคนพอ คนพอคนอิ่มยังก็มีความสุขก็ะย่างแล้วอิ่มอาหารเนี่ยเราทานอาหารอิ่มก็อยู่สบายถ้าไม่อิ่มแล้วกระซับกระสใสความไม่อิ่มแม้กระซับกระสายนั่นแหละคือบาปหิวโหวยถ้าพูดอีกนัยหนึ่งท่านอรหมาเปรียบ ม, มันก็เปรตเปรตนั้นธรรมดาเรษนั้นไม่มีการอิ่มกินอะไรอะไรก็ไม่อิ่มทุกอย่างพอกรความชั่ว ที่เคยทำไม้แต่บุพ ก, กรรมแต่ก่อนไม่อิ่มสักทีกินอะ้ร้ก็ไม่อิม่มรสชาติแทนที่จะได้รับรสชาติไม่ไม่มีเรื่องเปรตเล่านิทานเปรตนะครังสักหน่อยเปรตที่มันกินของสงของสงท่พระไม่ได้อนุ ญ, ญาตตายไปไปเป็นเปรต เ, เป็นหิวน้ําก็หายน้ําวิ่งหากินน้ำอย่างนั้นแหะได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ตุ่มต้มตุ่มอยู่ข้างโน้นไกลคนวิ่งไปไปถึงน้ําแห้งวัดได้ยินได้ข้างหลังีอีกวิ่งมามืถึงน้ําแห้งหมดวิ่งไปวิ่งมาเงินตลอดเวลาถ้าท่านไปบินท่าบาท ไปเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาเอ๊ะมวิ่งทะไรกันเนี่ยโอ้ยกะหายหิวน้าอยากเซินเอาน้ำนีไปไมเนี่ยดื่มแล้หรอมาแล้วมันไม่เห็นอนอนน้องท่างัง้นนอนหายด้วยงัง้นนอนหายลวอ้าปากเลยห้าข้างสามบองค์พราะบ่จะจากน้ำมาเทใส่าปากแทเท่าไรเท่าไรมั้นสายงั้นง่ายนะโอ้ยปายเีงกไปชุม่ม นั่นท่านโอวองท่านแสดงถึงเรื่องว่าเปรตไม่อิม่มท่า น, นี้คนเราไม่อิ่มมันก็จะเปรตนั่นแหะทีมีเงินได้ร้อยร้ยล้านไม่อิ่มมันก็จกเปรตมันจะได้ความสุขจากไหนนี่แหละเรียกว่าเบียดเบียนตนคนทําชั่วเบียดเบียนตนอยู่ในตัวถึงไม่ท่ันตายเป็นเ ป, นเปรตก็เป็นอยู่แล้วแต่ป่านนี้ การชอบโกงลักขโมยของคนอื่นอย่าเข้าใจว่าเราเอาชนะเขาแท้ที่จริงคือเราแพ้กิเลสของเรานล้ยอมตนเป็นคนชั่วนี่เลยธรรมะท่านสอนอย่างนี้แหละสอนเรื่องจะดีจะชั่วอจะผิดจะถูกให้จะโทษจะคุณคือสอนให้เราเนี่ยรู้องจะดีจะชั่วเรื่องจะบาปจะบุญเรื่องจะคุณจะโทษละทั่วทำดี อย่าไปทำสิ่งที่เป็นโทษนี่ทำสิ่งที่เป็นคุณนี่ประโยชน์แก่ตนเอและคนอื่นอย่างว่าทำไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้สอนที่อื่นสอนตัวของเราแต่ละคนละคนถ้าทุกคนรู้จักบาปปุลคุณโทษดีชั่วผิดถูกโดยประการอย่างนี้แล้วหากันอยู่ในความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบไปด้วยจริตธรรมต้องคิดด้วยแหละ การฆ่าสัตว์ลักโคกระบือกันไปฆ่าจินมันก็จะไม่มีแล้วก็จะไม่ต้องเลี้ยงงัวเลี้ยงไฟอันนี้พราะขโมยเนี่ยยัง่าพากันตามตูดควายยุ่งไปตลอดวันค่ำร้อนแสนร้อมกระตามีเข้าปากเขาลกกระตาอย่างงี้ยมีตัวทั้งตัวก็ไม่ได้อยู่กับเพราะขโมยนั่นแหละสิเราขโมยเนี่ยเราหัดขโมยอย่างเงเ้ยคนอื่นก็หัดขโมยอย่างเรานั่นแหะ มันเบียดเบียนทั้งตนและคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเบียดเบียนคนอื่นแล้วจะได้ประโยชน์ดได้คุณค่าทั้งที่ตัวของเราเองนั่ะมันเป็นโทษแกเราเองการลักการขโมยก็ทำนองเดียวกันการมาพืดผิดไม่ใช่จานก็ยั้งเดียวกันน่ะการลักชอคโกงขโมยนั้นมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่น มีเงินมีทองก็นอนไม่หลับมีงัวมีควายก็ไม่นอนไม่ไปหลับเป็นตื่นเกรือใจเขาจะมาขโมยล่างไปยกลงมีอะไรก็เลยไม่มีค่าหาคุณไม่ได้โดยมากเขาเข้าใจคนทั้งหลายเข้าใจว่ามีเงินมีทองมากมายลลวงหลายมีงัวมีควายมากนั่นแ่ะคือมีเกียรติมีหน้าได้รับความสุขความสบายแต่ถ้าหากว่าไม่มีสินจะแล้ว คุมคลองจิตใจของคนแต่ละตัวของเร า, เตราแต่ละคนแต่ละเมียแต่แล้วละชั่วไม่ได้แต่แล้วไม่มีความสุขเลยที่โลกมันเดือดร้อนเราก็เหตุนี้นิ่งการพืชผิดมิเชาจานนั่นแห่ะสาวลูกใครเมียใครมาแต่เอาผัวใครโตใครอะไรต่างๆสุนมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยตกลงก็เลยไว้วางใจกันไม่ได้เพราะนาทั้งมีลูกหลานเลยไว้วางใจกันไม่ได้ แห้มีใครจะเชื่อใจใครใน้คนที่สุดอยู่ด้วยกันกับในครอบครัวก็เลยไม่ทราบอะไรต่อไรยุ่งกันไปหมดการกล่าวของหกมูสาวาตพูดเท็จพูดคำหยาบคำไม่จริงเชื่อก็ไม่ได้มีแต่เรื่องจะหลอกจะลวงไม่แต่เรื่องจะชอจะโกงไม่แต่เล่ห์มีแต่เหลี่ยมมาอย่าง หาได้ประโยชน์ส่วนตัวในผลที่สุดเลไม่มีใครจะเป็นที่เชื่อถือนับถือได้คำพูดพูดออกมาเลยเชื่อจะไม่ได้ในผลที่สุดกับคำพูดแต่ละคนเลยไม่มีฟันเลยไม่มีคาาจะลงก็พูดก็ไม่เชื่อกันก็ไม่มีค่าท่านเองพูดก็มันกระลมกระแลงเราอันนี้ไปเป็นประโยชน์ไม่ได้เนี่ยโทษของการมีจิลมีธรรม จึงว่าทำเที่ยวพุทธเจ้าสอนนะสอนในแต่ละคนปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วคนอื่นมาปฏิบัติก็ยกไว้ใชก่อ น, นสอนให้ได้เราสักคนหนึ่งล้วสอนตัวของเราให้ได้สักคนหนึ่งใช่ก่อนฟังพระจนเทศดูตำราตำนานหนังสือที่ท่านอธิบายไว้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติทำมันมได้ใช่เราคนเดียวปฏิบัติได้ใชก่อนคนอื่นไม่ได้กตไว้ให้ก่อน ถ้าทุกคนพาเราไปอยามที่จะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักทำคำสอนของพระเจ้าก็เรียกว่าพากันค่อยพัฒนาด้านจิตใจของเราแต่ละคนละคนและพัฒนาสังคมหมู่ชุมชนหรือประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเลยงอกงามขึ้น ม, มาให้ได้รับความสุขของสบายคนไม่เข้าใจเนี่ยความสุขมันจะเกิด จาดอะให่ถ้าไม่เกิดจากสินธรรมก็ไม่มีแล้วคามไม่ปฏิบัติสินทางมมดขวสุขก็มีนะจะหันยุ่งกันไปหมดเพราะขาดสินธารมนี่ไหนว่าขาดสินธรรมมาทุกคนวันนนยพยายามที่จะฟื้นฟูสินธรรมปล่อยไปตามยาถากรรมมันก็เก่งโยเลยไปกันใหญ่โตนี่ใช่เท่านั้นเลยรุ่นนี้ขนาดเนี้ย ้าน้านใเหรียเกิดขึ้นมายิ่งใหญ่ใหญ่กว่ า, านี้เลยนานหนักครับไปตอนนี้มาใส่จะไปถึงไหนกันอีกล่ะรุ่นนี้ก็ไม่พากันปฏิวัติพัฒนากลับคืนมหาจรินธรุ่นนั้นหลังต่อไปก็ไปก็ใหญ่ยิ่งไกลกันลิบลี่ดูที่ทุกวันนี้พูดถึงเรื่องหลักจรินธมไม่มีใครฟังกันเลยถ้าอยูก่กับฟังก็ปิดถ้าเพลงน่าชอบพูดถึงเรื่องหลักจรินธรรก็ปิดเลย หลักคาราะจะทำที่ปฏิบัติไม่พากันสนใจงพระพุทธเจ้าสอนสอนคารวะจะทำขี่ปฏิบัติถ้าวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ฟังถือว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้ถือว่าการเวลานี่มันไม่หายน่มันไปให้างานเถอะถือว่าชิ้นธรรมเป็นของลาสไป มันไม่แช่มันของล่าสมัยคนต่างหามันล่าสมัยทำคำสอนไปเจ้ายังคงเสร็จของวายอยตามเดิมทําชั่วได้ชั่วตามเดิมทำดีได้ดีตามเดิมเขามาพูดกันใหม่ต่างหากดอกทำทําชั่วได้ดีมีธงฝล่ายทำดีได้ดีมีที่ไหนส่วาพูดกันตั้งหาเขาเขาทําไปหลายหน ดีคือคนนิยมนักถือสมัยเขานิยมนักถือความชั่วเร็วซามนั่นเขาชอบคือมันหมู่เขามากลากไปความดีนะ้นเขาเหเอียดอย่างดูถูกเป็นที่รังเกียรเขา้าทั้งกมเขาไม่ได้แต่หาว่าทำดีนั่นมันได้ที่ไหนทำชั่วได้ดีได้ดีถงไปนึกไปยังไงเรอะถ้าหากเป็นเช่นนั้นน่ะหลักธรรมเขาสอนพุทธเจ้าลองลองคิดดู ถ้าจัดเป็นบาปลักขโมยของเขาอยู่ใ น, ในใจของเราเนะี่ยเดือดร้อนนุ่นวายต้องการอย่างจะได้ของเขาพยายามคิดทุกทุกวิถีทางทาหาวายทุกทุกวิธีทางที่จะเอาขอเขาเดือดร้อนนุ่นวายเนะี่ยจะเป็นต้นเป็นในใจของเรานั่นแ่ะคือความชั่วมันจะล่าอย่าง น, ะนี้แหละถ้าคิดอย่างนี้มันช่วจะมันจะลากสมยัยนอะไอย่างทุกวันนีนี้แหละ การประพฤติผิดมิช้ชาจารเเร็วสามเที่ยวกลางคืนมีขอบเขตเด็กเล็กสมัยใหม่มันมีความทุกข์ที่ไหนล่ะกลุ้มใจตลอดคืนตลอดวันผูกผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้เข็นบังคับเ อ, อบาบังเดี๋ยวก็ไปพ้าดั้งเขาเดือดร้อนจนกระทั่งอกหักอกแตกเมื่อผู้หญิงผู้ชายมันบาปแน่นมันลาสมัยเรื่องไงน่ะ ลองคิดดูมันล่าเราอย่างพ้ามันล่าแล้วก็ซุกสบายสิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นการกล่าวโกหกมืสบายลืมสุดลาในไรมันเมาไหมถ้ามันเมามันก็ยังไม่ล่าสมัยมืองเก่าเสียสติไหมลืมสติไหมถ้ามันลืมมันก็ไม่ล่าสมัยําสอนเลยแกคนเราต่างหากมันไม่ทันนี่มันเลวอย่างนี้แหละ โลกมันเลวตามไาม่งียบ้าเจตนานาถึงเรื่องทำครั้งสองพระเจ้าแล้วป็นหน่าสลดสังเวชมันจะเลวไปถึงไหนกันถึงว่านี่สิมีทางครั้งสองพระเจ้าให้เข้าใจาว่าสอนตัวของเราทุกๆคนนี่สรุปจะรวมรวมห่ะไม่ใช่อยู่ที่อื่น่าไปหาที่อื่นบังเทศบังธรรม พอไอ้ท <Scroll. |da|>. ่านสอนให้เรานี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติทราบละชั่วทำดีไม่ใช่สอนให้คนอื่นถ้าเรารู้สึกตัวแล้วละชั่วทำดีแล้แต่บัตดนี้ต่อไปจะได้มากเลยน้อยก็ขอให้ทำเถอะมีเท่าไหร่ก็ขอให้มันได้รักษาไว้ละชั่วได้สักอย่างสักอย่างหนึ่งก็รักษาไว้ทำดีเราทำได้สักอย่างสักอย่างก็รักษาไว้จะให้มันลืมลุดมือเราไป ร่าชั่วได้แล้วการให้รักษาไว้จะให้ชั่วนั้นงกลับคืนมาอีกมันจะมีเวลาที่จะพอทังเรื่องธรรมะนาั่นเราจะอาจจะเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้ฟังแต่จะบอกฟังแล้วไม่ทําตามที่ท่านสอนชั่วก็ทิ้งมาตามเรื่องตามหลักให้ตา ม, ตามเรื่องตามราวดีมีด้วยแล้วไม่ยอมปฏิบัติรู้จักยู่ว่าดีปฏิบัติจะได้แต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติมันก็จะดีได้อย่างไง แต่ตกลงนั่นเราเป็นคนด้านเนี่ยธรรมะที่แสดงมาในวันนี้ก็พอจะสรุปใจลวมรวมได้เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็ขอยึดติดแค่นี้เทศให้ฟังแล้วการนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาเนะนี่ยนาฟังนาฟัง เทศอันหนึ่งทำอันหนึ่งคือว่าควาจริงนั้นทําคาพูดเรียกว่าเทสทำเทสทำคำสอนพยทธ่วารเ่งแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทสได้ต้องทาสาม่างเรียกว่าเทสทำทำทอทอสลามไม่ใช่เทสทอรอทำทอรอเทสทำเบื้องต้นนั้นเทสทำทอรอมอสะกดอะไรล่ะตอนนี้เทศ แต่นี่ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องกานเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศบางทางแล้วปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหม อย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพราะไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำท า, ทางที่ไม่ดีอาหาก็าเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำ มันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ทําดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายแต่ทาชั่วได้ยากอืเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันตก ก, ก็ปลงใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมั่งของเขาก็ปลงไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คน พิบัติคนเฉียดจริตวิกลจริตตนเอถ้าเห็นชาติเจตนเองได้จะไปทำใหม่ทํานเขาก็เรียกว่าคนวิกลจรินี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่จากรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงทางยังไม่ได้ทําไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะ ได้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติันร่ำค่ามหาศากด์แล้วเกิดธรรมชาตินี้หากมมีธรรมะเป็นเครงอยู่แล้วก่เมตตาไปไปกว้างแจ้งไว้ถึงไหนก็เมตตาอย่างที่เป็นเป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วเลยความมัวเมาประมาทรุ่มลงเชินเลยไม่มีจะไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเด็กมา ก็จะรู้ตัวได้กับสายแต่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเปล่าเกยๆไม่มีกันอย่างนี้แย่ขนาะที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี้ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะะัขเนี่ยรดของพระธรรมถ้าริมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วรเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปน่ งานที่จะเห็นธรม ร, ร, ธรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทําจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตจึงอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบอ่ะจะรู้ได้ยังไงดีชั่วเมื่อเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นั่ละชั่วกับลาที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพามันไม่ดีจะรักษาความดีว่าเมื่อ แ่ายกดขึ้นที่จิตรักษาต้นเดียวที่จิตไม่แต่รักษาที่อเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทําความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมุ่งเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับลดธรรมรดดังอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทํำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเจอธรรมดังอธิบายมานั้น ตอนนี้ไปเราาการตั้งใจทําสมาธิตาวนาทำกันได้